ทีนี้เมื่อมโนทวาราวัชณะเนี่ยนะมีเจตสิกอยู่น่าจะสิบเอ็ดนะมีสิบเอ็ดนะบวกชันทะด้วยอะไรอวิรยิยะเหรอไม่ไม่ว่าตามนะ สรุว่าเนี่ยเอาวิตกก่อนนะจะพูดวิตกก่อนนะอันนก็โหนี่ขนาดระดมแม่ครูขอประกาศนียบัตรคืออะวยอันนชอบชอบได้ชั้นสูงเลยนะอันนี้มันชั้นล่า ง, างอ กรรนักกรรมนะก็เรียน ม, มาธทมเอกอวินิโพก็รูปแปดก็ไม่ร่วมคืออะไรอ่างั้นแต่ว่ามันลืมได้นะเอาใหม่นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อชาวนะเนี่ยนะวิปัสสนาเนี่ยอยู่ที่ไหนโดยทั่วทไปนะก็คือในชาวนะเพราะปัญญานี้เกิดที่ชาวนะตัวปัญญาจริงๆเนี่ยเกิดที่ชาวนะแล้วชาวนะไปนึกอะไรนะถ้ชาวนะมันจะมีอารมณ์เดียวมีอารมณ์ตาม อาวัชนะอาวัชนะตัวนี้เรียกว่ามนโนทวาราวัชณะอนะอนนะแล้วแต่อาวัชนะมันจะไปนึกอ น, นะตัวที่จะทำให้นึกเนี่ยตัวตัวที่นึกตัวนี้เรียกว่าจิตนะเรียกว่าวิญญาณเจริยาประพฤติด้วยวิญญาณมันมนโนทวาราวัชนะประพฤติด้วยวิญญาณแล้ววิญญาณมันนึกโดยธรรมชาติไปเองเลยใช่ไหม ก็บอกว่าด้วยอำนาจของวิตกวิตกเนี่ยเป็นตัวพาไปเพราะวิตกพระองค์ตรัสว่าเป็นเหมือนเท้าของโลกแล้วแต่ว่ามันจะพาไปเหยียบที่ไหนอ่ะนะดูดิมันจะพาเป็นนึกเรื่องอะไรเช่นถ้านนึกถ้าวิตกนึกถึงขันโดยอนิจจังปัญญาก็จะเห็นขันโดยความเป็นอนิจจัง ถ้าวิตกเ น, player, น singer, olo, iana, ี่ยนึกถึงขันโดยความเป็นทุกข์ปัญญาก็จะเห็นขันโดยความเป็นทุกข์ถ้าวิตกเนี่ยนึกถึงขันโดยความเป็นอนัตตาปัญญาก็จะเห็นขันทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตาด้วยเพราะปัญญาทั้งหลายเนื่องด้วยตัววิตกเนื่องด้วยการเข้าไปตรึกทีนี้ถ้าเป็นอกุศลวิตกล่ะถ้าวิตกนึกไปเกี่ยวกับเรื่องกาม กุศลมันก็เกิดขึ้นเป็นกามวิตกาวนะทั้งหมดเป็นกามวิตกพันทีถ้าวิตกนึกด้วยเกี่ยวกับเรื่องพยาบาทนะเป็นไปชี้นำให้พยาบาทเกิดชาวนะจะเป็นพยาบาทถ้านึกให้มันเป็นวิหิงสาเบียดเบียนนะมันก็จะเบียดเบียนเพราะตัวตัวนึกก่อนนะ่ตัวนึกตัวชี้นำเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะให้ชาวนะนี้เป็นอะไรถ้า ความนึกหรือมโนทวาราวชนะไม่เยบคายไม่ดีพอเนี่ยนะชาวนาเป็นอกุศลหมดเลยทีนี้ถามว่าแล้วทํายังไงเราจะนึกให้เป็นกุศลได้ล่ะนึกยังไงให้มันเป็นไปกับสมถานนึกยังไงให้เป็นไปกับวิปัสสนาได้บ่อยๆมากๆจากอะไรอันไหนอัน ที่จะให้นึกแล้วเป็นสมถะเป็นวิปัสนาเป็นศีลทั้งหลายเนี่ยทำยังไงจะนึกอย่างนั้นได้ <S <S ตกลงทำไงดีใครใครมีสูตรแนะนำบ้างว่านึกยังไงให้ใหเป็นสมถะวิปัสนานึกยังไงนี้ทุกนึกให้เห็นแด่เป็นอริยสัจเลยอ๋อเหรอเนี่ยไม่ยอมนึกทาไมเพราะไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิ ตั้งตนเอาไว้ให้ชอบถ้าไม่ตั้งตนมาดีนะมันไม่นึกอย่างนี้หรอกตั้งตนไว้นะ ต, ว ต, วตัวที่จะทำให้เราไปนึกอะไรก็ตามเช่นถ้าเราจะนึกให้เป็นศีลสมาทานศีลไว้ก่อนหน้านี้แล้วใช่เพราะสมาทานศีล น, นั่นแหละจึงทำให้นึกถึงศีลตัวอาวัชนะเลยนึกไปกับศีล เพราะสมาทานที่จะเจริญเมตตาอัตตะสัมมาปณิทิตั้งความปรารถนาที่จะเจริญเมตตาตัวอาวัชนะก็ทําให้นึกถึงเมตตาอย่างผู้การเ่าว่าเห็นอะไรก็กระดูกไปหมดเลยการว่าไงนะเห็นแล้วตรงจมูกมันยุบเข้าไปนี่จะตกใจนะมันอันนี้ก็อะไรเพราะอะไรเพราะตั้งใจไว้ก่อนใช่ไหม ไม่ใช่อยู่ๆแล้วเห็นมันยุบไปหมดเลยอย่างนั้นไหนนี่ส่วนใหญ่นะเกิดจากความตั้งใจว่าจะต้องเจริญอย่างนั้นให้ได้เจริญอย่างนั้นให้ได้พอตั้งใจเอาไว้โดยทั้งโดยศีลโดยเมตตาสมถะวิปัสนาโดยขันอายตนะก็ตามเมื่อ น, นึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆเข้าแล้วอาวัชนะตัวนี้มันจะเป็นไปตามเป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้แต่ถ้าไม่ตั้งอะไรเอาไว้เลยสมมุตินาะยกตัวอย่างง่ายๆเราจะมาเข้าในห้องเรียนเนี่ย ถ้าใครคิดถึงศีลคือปัจจยะสันนิสิตศีลว่าจะต้องปัจจเวกทุกครั้งที่เข้ามาใช้ห้องเรียนตั้งใจไว้เลยอย่างนี้ใช่ไหมเข้ามาปั๊บนะถ้าไม่ได้ปัจเวกก่อนมันจะเริ่มอึดอัดแล้วเอ๊ะมันลืมอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วก็พอปัจจะเวกแต่ก็ไม่มีอะไรละมันเหมือนเคยเราตั้งใจอะไรหลายๆเรื่องแล้วเอ๊ะทำไมถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นนะเราจะรู้ว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอันนั้นแหละเป็นผลของ การตั้งตนเอาไว้แต่ตั้งผิดตั้งถูกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี้พูดถึงอัตตะสัมมาปณิทิตั้งให้ถูกตั้งให้เป็นศีลสมถาวิปั ส, สนาเป็นต้นท่านอยู่เมื่อตั้งอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็น้อมไปที่จะนึกอันนี้เขาเรียกว่าโอนไปที่จะนึกนนโอนไปที่จะให้สมถาวิปั ส, สนาเนียเกิดขึ้นท่านพอพอนึกได้อย่างนี้บ่อยๆเนียนะปัญญามันจึงจะเกิด เพราะปัญญาเกิดที่ชวนะแต่ปัญญาเกิดก็ต้องมีวิตกอีกอยู่ดีเห็นไหมหันวิตกนี้เกิดร่วมกับมหากุศลหันถ้าจะให้ปัญญาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาต้องขยันน้อมไปเพื่อจะนึกถึงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาน้อมไปเพื่อที่จะโยนิโสมนัสิการสมัยใหม่เนี่ยนะเท่าที่ฟังดูหลายๆคนเนี่ยเขาอยากให้อะไรมันเกิดเองแล้วเขาจะดีใจมาก มันเกิดเองโดยที่เขาไม่ตั้งใจนะเขาจะดีใจมากเลยถามว่าดีไหมอย่างนี้นเออเหมือนเหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วนะ ม, นมันมันมีเมตตาของมันเองโอนี่เป็นความภูมิใจของเขามากเลยนะที่มันเกิดเองเขาบอกเพราะไม่ได้ตั้งใจเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งนั้นคือวิเศษสุดถามว่าดีไหมไนไหนนะ แต่ว่ามีหลายคนเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าโอ้อะไรก็ตามนะที่มันเกิดจากไอ้เขาไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนในช่วงนั้นๆ น, นนะเขาจะดีใจมากๆเลย <S <S เกิดละเกิดล ะ, ดละอะไรเงี้ย น, นะแล้วก็พวกกุศลศีลเป็นต้นนะให้ตั้งใจเอาไว้ก่อนเนี่ย น, นะตั้งใจแล้วจิตมันจึงจะน้อมไปไปเกิดเนี่ย น, นะเปรียบเหมือนอย่างว่าคนคนหนึ่งเนี่ยนะเดินไปเรื่อยๆไปเห็นถุงเงินมันตกอยู่สิบบาทโอ้ดีใจมาก ตกงานมาพอดีเห็นตั้ง10บาทตกอยู่ที่ถนนไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยเนะได้เงินกินข้าวแล้วกับมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมอันไหนดีกว่ากันแล้วก็มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งรายได้เป็นกอบเป็นกรรมดีกว่าการตั้งอัตตะสัมมาตอนนี้ที่ก็ก็เหมือนกันมันเป็นกิจกรรมเลยใช่ไหมเป็นเป็นเป็นกิจกรรมเป็นเป็นกรรมฐานเป็นการงานที่จะต้องประกอบนะประกอบบ่อยๆตั้งเอาไว้บ่อยๆ ทีนี้ถ้าไม่ตั้งละ่ะไม่ตั้งก็ต้องน้อมไปเพื่อให้ให้ตั้งน้อมไปเพื่อให้ตั้งว่าศีลจะต้องเจริญให้ได้นะจะต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตารบชีวิตตินรีเมื่อไหร่ต้องมีเป็นเป็นศีลทุกครั้งที่พูดถึงชีวิตเพราะศีลข้อที่หนึ่งมีชีวิตตินรีเป็นอารมณ์นะจะต้องเมื่อมีคาว่าชีวิตเมื่อใดนะศีลจะต้องมาทันทีเลย ของผู้อื่นข้าวของผู้อื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นวัตถุแห่งศีลของเราทั้งหมดเห็นเว่นตา น, นาฬิกาเห็นข้าวของเครื่องใช้เห็นของผู้ใดก็ตามะนะวัตถุนั้นคือที่ตั้งแห่งศีลของเรานะเราจะไม่ละเมิดตั้งไว้เลยใช่ไถ้าตั้งสมาทานเอาไว้ดีนะเห็นของคนอื่นปั๊บเนี่ยศีลจะมาทันทีถ้าเป็นพระพิสูจนเนี่ยถ้าเป็นท่านให้ตั้งยังไง ร, รู้หมอสสรพิษ ถ้าจะอยาจับของคนอื่นเมื่อไหร่นะให้นึกไว้อย่างนี้เลยคือบางคนเนี่ยพอเรียนธรรมะไปเยอะๆนะมันมันเหมือนกับคือคนที่เรียนวินัยไประดับหนึ่งนะเหมือนจับคนอื่นด้วยอธินาทานเจตนาหมดเลยเอ้ย เ, เราอธินาทานหรือเปล่านี่เอ้นี่เราขโมยหรือเปล่านี่แล้วเดือดร้อนประจำนะบางทีอยู่กับพระที่เรียนวินัยใหม่ๆนะจะต้องมานั่งอตอบคำตอบอันนี้แหละคุณคิดยังไง เป็นตนมั้ท่านก็เลยบอกว่าอสอรพิษนะท่านะเห็นข้าวของเครื่องใช้ของใครวางไว้ถ้าใจเอื้อมไปจับบอกกํำลังจับงูอยู่นะให้นึกถึงศีลของตนเอาไว้อย่างนี้เสมอๆ อ, อันนี้ศีลข้อนี้จึงจะดีทีนี้ถ้าเป็นพันละของผู้อื่นนะนะหรือถ้าเป็นอันนี้เราเราประพฤติพรหมจรรย์ใช่ไอุโบสถอย่างเงี้ยพรหมจรรย์ตัวนี้แปลว่าเว้นจากเมถุนนั่นะท่าก็นึกถึงว่าเออเนี่ย พรหมจรรย์ของเรานะศีลของเรานะวัตถุที่เราจะพูดถึง ต, ต้องนึกถึงวัตถุใดก็ตามที่เราปรารภน้อมไปเพื่อจะพูดต้องนึกถึงศีลเอาไว้ในวัตถุนั้นนพันตั้งสัตตะสัมมาปณิธิสมาทานอันนี้เอาไว้ให้ดีอนนะไรอาหารเย็นอาหารเย็นศีลข้อไหนข้อหกใช่ไหมอาหารเย็นอย่างเงี้ยถ้าอุโบสถศีลอย่างเงี้ยก็ศีลจะมาเลยแต้ง ข้อเจ็ใช่ไหมเครื่องประดับข้อเจ็ดที่นอนที่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีที่นอนสูงเกินยี่สิบสี่นิ้วข้อแปดก็จะเข้ามาถ้าเป็นพระพิสุก็นึกขึ้นสูงไปอีกวัตถุใดวัตถุใดก็นึกไปอย่างนี้บ่อยๆถ้านึกถึงเมื่อไหร่ศีลมาเลยถ้าแม่นยำขนาดนั้นก็แสดงว่ามั่นคงแล้วนะนึกอยู่เะกแนคิดว่าจะฟูเสื่อไว้ก่อนนะะอืมอ นึกถึงศีลก่อนเลยนะก็ดีแล้วท่านั้นก็อย่างนี้แหละนึกไปอย่างนี้ยเพราะผลแห่งการสมาทานไว้นะถ้าไม่สมาทานไว้คุณยังไงขึ้นนอนสบายเลยนะมีความสุขมากเลยนะตื่นมาอีกทีอ้าวศีลหมดไปแล้วนะทัานตั้งใจไว้ดีๆเลยนะไม่ใช่กลืนเข้าไปคําหนึ่งอ้าวศีลเนี่ยอุโบสถวันนี้อย่ามินิสเราว่าทานไปแล้วใช่ไหมจิงนึกได้เออวันนี้วันพระอย่างเงี้ยนะ พนก็นแสดงว่าตอนสมาทานนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่เนี่ยนะต้องย้าบ่อยๆนะแต่ถ้าพลาดหนึ่งครั้งนะไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วก็ย้าอยู่อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเดี๋ยวจะไม่ลืมเนี่ยนะเดียวจะไม่ลืมนะ ม, มันทุกเรื่องศีลก็จะเข้ามาทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่เรียกว่าเอานะราคะจริตศีลดีแล้วละ่ะแต่ว่ามันอดการมัววิตกไม่ได้ การมาวิตกมันก็มาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเลยนะไม่รู้เห็นผมก็เกสารโลมานะ้าขาทางตาตะโจวไว้แล้วสาทยายไว้จนชํานาญนะผมคนเล็บฟันหนังนะเบื้องหลังของผมคนเล็บฟันหนังคืออะไรเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตอย่างงี้ย น, นะแล้วที่มันดํารงอยู่ได้ก็อาศัยหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไล่ ไ, ไปไสใหญ่ไสรัศย์ไสอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยนะก็ไล่อย่างเงี้ยนะสาทยายอย่างนี้บ่อยๆอยู่เลยเนี เป็นชีวิตแต่ไม่ใช่ว่าเห็นทีสาธยายทีนะต้องบริหารด้วยบริหารแล้วก็ต้องมันนึกอย่างนี้บ่อยๆนะพวกนี้ก็จะละอกุศลวิตกที่เป็นกรมวิตตกได้ทีนี้ถ้าเป็นคนโทสะจริตแหละเห็นอะไรมันน่ารําคาญไปหมดเลยเนะพวกโทสะจริตนะพวกนี้รําคาญบ่อยเห็นอะไรจะเป็นปฏิฆานิมิตไปหมดพวกนี้ก็ทํำยังไงตั้งพรหมวิหารเอาไว้ในใจเลยใช่ไหม อนนะถ้าเป็นพวกสาธยายการณียเมตสูตรมาก็บอกว่าเหมือนเหมือนบุตรคนเดียวเนี่ยนะเป็นต้นนะก็นึกถึงมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนเป็นต้นเนี่ยนะหรืออะไรประดุดบุตรอะไรเอกหรืออะไรก็ได้เนี่ยนะหวังความเจริญให้แก่เขาเหล่านั้นเหล่านั้นอันนะัการน้อมไปที่จะนึกแบบนี้แล้วก็เป็นน้อมไปอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นเมตตาเนี่ยนะหรือ เขาก็มีทุกข์อยู่แล้วทําไมเราต้องไปคิดให้เขาเดือดร้อนอีกเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีทุกข์อันนี้ก็น้อมไปเพื่อที่จะเขาเขาทุกคนก็มีทุกข์อยู่นะเราไม่ว่าเขาเขาก็ทุกข์อยู่แล้วเป็นต้นเนี่ยนะเราไม่คิดตําหนิเขาหรือไม่อะไรเขาก็เดือดร้อนของเขาอยู่แล้วเนื่องว่าเขามีทุกข์อยู่นะทุกคนเขามีทุกข์อยู่นะ ทุกทั้งกายบางคนก็ทุกข yup, ์กายบางคนก็ทุกข์ใจเนื้อย่างนี้บ่อยๆเขามีทุกข์อยู่เขามีทุกข์อยู่ไม่จําเป drums, ็นที <th <th rage, contre, ่เราจะต้องไปเข็นไปข่าไปเคียนไปตีไปด่าไปอะไรเขาก็ทุกข์อยู่แล้วน้อมไปคิดอย่างนี้บ่อยๆเป็นอะไรกรุณาเพราะกรุณามีทุกข์ขีตสัตว์เป็นอารมณ์นั่นนะก็น้องไปอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นกรุณาเพราะน้อมไปเจริญทั้งเมตตาและกรุณานั่นนะหรือไม่ก็กรุณาต่อตัวเองบ้างเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้เป็นกุศลหรืออกุศล กูสลใช่ไหมมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษใครรับล่ะันนะเจ้าของคนคิดนั่นแหละพื้นฐานการตั้งอัตตสัมมาปนิธิการสมาทานตัวนี้สำคัญมากทีนี้ถ้าเราจะสมาทานนะสมาทานไว้อย่างไนที่จริงลำดับสิกขาที่ที่พระผู้มีพระภาคสอนไว้นะก็ดีเยี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมคืออะไรกว้างๆเลยนะอธิศีลสิกขาต่อไป อธิจิตตสิขาแล้วก็อธิปัญญาศิขาอธิสีลสิขาคืออะไรคือศีลสังวรอนะสติสังวรญาณสังวรและวิริยะสังวรแต่ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยขันติถ้าไม่มีขันติไม่มีความอดทนนะสีลสังวรเป็นไปไม่ได้สีลสังวรก็คือสีห้าอนนะ สติสังวรก็คือปิดทวารหไม่ให้บาปไหลเข้ามายาณสังวรก็คือการปัจเจกปัจจัย4พิจารณาปัจจัี่วิริยะสังวรก็คือการประกอบอาชีพเนี่ยนะแต่ทางนั้นก็ศีลจะอยู่ได้ก็ต้องมีคันติมีความอดทนมีอโทสะนำหน้าสมถารถาเลยเลยเราเกี่ยวข้องกับวัตถุใดต้องเป็นศีลต้องเป็น สติสังวรคืออินทรีย์สังวรต้องเป็นต้องปัจเจกทุกอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องต้องอนนะถ้าเป็นอาชีพก็ต้องภาคเพียรเนี่ยนะต้องต้องไม่โกรธนะต้องอดทนอย่างเงี้ย น, นะสมาทานตั้งใจไว้เลยถ้าน้อมไปเราสมาทานไม่ดีนะถ้าน้อมสมาทานไม่ดีเลยรู้เลยว่าเราไม่สมควรจะทำที่สุดแห่งทุกนะ เขาบางคนนั้นแม้แต่สมาทานจะคิดจ ะ, จะเจริญเนี่ยมันยังไม่มีเลยเอาสิรู้นะเออดีไ้ยดีแต่คิดจะไปเจริญจริงๆเอาไหมเอาไว้ก่อนอย่างโดยตัวตัวอย่างแล้วนะผู้การถามบ่อยมากปัจเวกเนี่ยมันจาเป็นยังไงเ็นหก็แสดงว่าไม่ได้ตั้งอัตตสัมมาปณิที่ที่จะเจริญเป็นเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่นะ แต่ถ้าตั้งอัตตาสัมมาปณิที่บ่อยๆนะอย่างไรหลายรูปเนี่ยพระหลายรูปบอกว่าถ้าจับจีวรปับ๊บท่านจะปัจเจกเลยจับยาปับ๊บจะปัจเจกเลยเข้าที่อยู่ปั๊บเนี่ยท่านจะปัจเจกเลยคือชํานาญมากในตักอาหารป๊า ก, ก็ปัจเจกเลยพวกพื่นี้ก็คือชํานาญในการพิจารณาแต่ที่เป็นอย่างนั้นนะคนประเภทนี้เชื่อไหมก่อนหน้านี้ก็ลืมเหมือนกันแต่ลืมครั้งหนึ่งสมาทานย้ําว่าจะไม่ให้ เป็นอย่างนี้อีกจะไม่ให้เป็นอย่างนี้อีกทําอย่างนี้บ่อยๆๆเข้าก็เป็นติดเป็นนิสัยเนี่ยนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากการสมาทานไว้ก่อนตั้งอัตตสัมมาปณิทิฏไว้ก่อนถ้าว่าโดยสรุปนะเกี่ยวข้องกับวัตถุใดจะตุปาริสุทธิ์ศีลต้องดีนะจะตุปาริสุทธิ์ศีลต้องดีทีนี้ถ้าเป็นอันนี้เป็นอธิศิลปศิขาถ้าอจิตอธิจิตก็แบ่งเป็นกลุ่มๆนะกลุ่มอะไรกลุ่มอนุสติ กลุ่มพรหมวิหารกลุ่มอสุภะน่นกลุ่มกสินก็ใครจะเจริญกสินก็ว่าไป น, ไน่นมใครจะเจริญกษินก็ว่าไปสมทานไว้เลยเห็นเกี่ยวจะต้องเจริญพุทธานุสติให้ได้ไปที่ไหนจะต้องเจริญ ผู้ทธานุสติให้ได้ต้องเจริญธรรมานุสติให้ได้ต้องเห็นคุณของพระพุทธเจ้าทุกขนทุกแห่งต้องเห็นคุณของพระธรรมทุกขนทุกแห่งเห็นคุณ เ, เห็นความปฏิบัติ ด, ดีของพระสงฆ์ทุกขนทุกแห่งเป็นต้นเนี่ยนะต้องสมาทานเอาไว้อย่างนี้จึง จ, จะเจริญได้ไม่งั้นรักษากสินนิมิตไม่ได้แม้กระทั่งใครที่จะเจริญกสินเนี่ยนะต้องต้องน้มใจว่าจะต้องบริหาร น, นิมิตคือกสินได้ทุกขนทุกแห่ง นะโดยที่ไม่ให้อะไรนะไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ให้เสียหายมันก็พื้นฐานว่าสมาทานไว้แค่ไหนน ะ, ะนะผู้การตั้งเป้ายัางไงบ้างเนี้ยอัตตาสัมมาตนิที่ไว้ยังไงบ้างในกลุ่มอทิจิตสิกขาพูดถึงเรื่องศีลก่อนเนะพูดถึงว่าศีลซึ่งศีละสังวรนั้นนะ อันนี้ไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าสมาทานไม่นานแล้ววันนี้ก็สติสังวรก็ยังก็ยังมีสมาทาน แ, แต่พ อ, อยานะสังวรนี่นะถ้าเป็นเรื่องปัจจัยบางปัจจัยเช่นอาหารนี่นะก็มีแต่ว่าที่อยู่ที่อาศัยยังนึกไม่ค่อยออกว่าถ้าไม่ถ้าไม่สังวรแล้วนี่มันมันมีอะไรที่มันเป็นอคุศลถ้านั้นเสียหายตรงไหน คือส่วนวิทยาสังวรในเรื่องของอาชีพก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วพยายามหลีกเลี่ยงตัวนี้นะตระลับสีนะตัวที่จิตก็ต้องถือตั้งไว้เลยว่าจะต้องบำเพ็ญศาสนสุภาพอย่างหนึ่งนะครับล ม, มิหารก็ ก, ก็ก็มีครับโดยเฉพาะนุสติที่เป็นพุทธานุสีนั้นอันนั้นทําเป็นประจําอยู่แล้วเป็นอาชีพแล้วนั้นแต่ว่าสมตรงศีเนี่ยก็ยัง คือยังไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นทะลุปลูกุ่งๆท่าสมมติว่านั่งอย่างเงี้ยนะฮะปัจเจเกหรือว่าเข้ามาในสถานที่เนี่ยปัจเจเกเนี้ในในฐานะคารวาส น, นะฮะก็หรือพวกถ้าขึ้นรถเนี่ยต้องปัจเจกไหมครับคือถ้าถ้าไม่ค่อยปัจเจกเนี่ยนะไม่ค่อยตัวนี้ไม่ดีเนี่ยถามว่ามันทําให้อะไรขาดขาดศาสตะสัมพัญญะ ถ้าสาัถากะสัมปชัชญะไม่ดีก็จะแยกส ป, ปายะสัมปชัชญะไม่ค่อยคล่องนะอันนี้เห็นเห็นเลยนะสัทธาะสัมปชัชญะกับส ป, ปายะสัมปชัชญะแล้วอะสัมโมหะสัมปชัชญะเนี่ยเช่นมนุษยการโดยความเป็นาธาตุก็ก็น้อยอ่นะมนุษยการเป็นาธาตุว่าที่อยู่อาศัยก็คือาธาตุใช่ไหมมหาพุทธรูปภายนอก ไอ้ที่เข้ามาอาศัยก็เป็นมหาภูตรูปมหาภูตอาศัยมหาภูตเป็นต้นเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่มอสมัมโมหสมัมปชัญญะก็จะคือในเรื่องนั้นเนี่ยนะเราจะไม่ได้อะไรเลยหมายความว่าควรจะเป็นที่ตั้งแห่งกุศลเนี่ยนะก็ไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลเพราะไม่ได้ตั้งสมทานบางเรื่องอย่างที่กล่าวว่าการเจริญกุศ ล, ลธรรมเหล่านี้น ะ, จะเจริญก่อนแล้วจะเห็นคุณในภายหลังนะ ห ล, หลายเรื่องเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อาศัยศรัทธานาหน้าไปก่อนแต่ถ้าเจริญมากๆเข้านะจะเริ่มรู้แม้กระทั่งพวกภาษาหานนะพวกที่อยู่อาศัยเนี่ยถามว่ามีภาษาหานไหมมีเพราะภาษาหานจะเข้ามาแม้กระทั่งเครื่องนุ่งห่มนะคือเราบริโภคภาษาหานจากจากเครื่องนุ่งห่มเช่นเสื้อผ้าทั้งหลายเราต้องการภาษาจากสิ่งเหล่านี้ใช่ พันภาษาเหล่านี้ถ้าเราไม่เคยเอามามนสิการเลยนะที่ตั้งของฉันทราคะตลอดเวลาหรือจะเรียกว่ามีฉันทราคะตลอดก็ไม่ผิดอะไรทุกครั้งที่เราบริโภคไม่มีครั้งไหนที่ว่างเว้นที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะเนี่ยนะครับก็ต้องตั้งอัตตะส ม, มาปณิที่ว่าจะต้องอบรมเจริญสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก็สมาทานขึ้นถ้าสมาทานอย่างเงี้ยบ่อยๆก็อยู่ที่การน้อมไปนึกอะนะไ น้อมไปนึกให้เป็นศีลสังวรน้อมไปนึกให้เป็นสติสังวรน้อมไปนึกให้เป็นญาณสังวรนึกให้เป็นวิริยะสังวรถ้านึกได้อย่างนี้จนชํานาญจนไม่ตะกิตตะขวงใจอธิศีและศีขาก็บริบูรณ์ทีนี้อธิศีและศีขาบริบูรณ์หรือไม่เนี่ยนะสังเกตจากอะไรสังเกตลองไปเจริญอธิจิตสศีขาดูจะเริ่มรู้ว่าทีา่ศีและศีขาเราบริบูรนแค่ไหน เช่นเจริญพุทธานุสตินะหัวข้อว่าวิชาจารณะสัมปันโนลองดูจะรู้ว่าวิชาโดยเฉพาะจารณะนะเพราะกลุ่มนุสติก็วิจารณะมีสิบห้าใช่หมนึ่งจารณะ 15, นะ 1. สิบห้านะหนึ่งศีลสองอินทรีสังวรสามโพชเนมตันยุตาสี่ชาคริยานุโยกนะห้า สัทธาหกหิริเจ็ดโอตตาปะแล้วก็ไไรพระหูสูตรเนี่ยนะพหูสูตรวิริยะสติปัญญาฌานเนี่ยนะลองมาดูเจริญพุทธานุสติเป็นต้นเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าคือเห็นของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่นะเราจะรู้ว่าเราจนเท่านั้น จเจริญพุท ธ, ธานุสติเห็นพระพผู้เจ้ามีศีลจะเริ่มปกตินะสัตว์ทั้งหลายมันจะรับตัวถ้าเห็นคนอื่นก็มีอะไรจะนึกถึงของตนด้วยเหมือนกันนก็เรามีเท่าไหร่นนอินทรีสังวรอินทรีสังวรนี่หลักการก็คือห้ามอะไรห้ามอาภิชากับโทมนัสพระองค์เห็นเป็นปฏิกูลได้ทันทีเลยพระองค์เห็นโดยไม่ปฏิกูลเลย สมมติรับอารมณ์อะไรนะพระองค์มนัติการให้ปฏิกูลก็ได้ถ้าวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งอภิชานะพระองค์เห็นเป็นปฏิกูล ท, ทันทีถ้าวัตถุนั้นโดยปกติเป็นที่ตั้งแห่งโทมณัตพระองค์ก็มองเห็นโดยความไม่ปฏิกูล ท, ทันทีอันนี้คือความชํานาญที่พระองค์เจริญมาเป็นอย่างดีสรุปตัว อ, อะไรก็อสุภกรรมฐานเยี่ยมพรหมิหารชํานาญนะ อันทําให้อินทรีย์สังวรของพระองค์เนี่ยมั่นคงมากกลุ่มอินทรีย์สังวรเนี่ยนะกลุ่มนี้อาศัยสมถะนะจะทําให้รักษาอินทรีย์สังวรได้ถ้าไม่มีสมถะอยู่ในใจเลยเนะโอ้อินทรียสังวรเนี่อรักษายากมากเช่นถ้าราคะจริตเนี่ยนะทั่วราคะจริตเนี่ยมันจะสอด ส, สายตาหาแต่ของงามอย่างเดียวอั้นถ้าไม่มนัสสิการว่าปฏิกูลอสุภาพอยู่ในใจนะ นึกไม่ออกถ้าพวกโทสะเจริญเนี่ยมันจะสอดสายหาว่ามันมันต้องมีความเลวอยู่ในนั้นจนได้อ น, นมันมีความน่าเสียหายบางคนนักของมาแปลกใจเกันนะเขานั่งอยู่แป๊บเดียวเขารู้อะไรมีมันเสียหายแค่ไหนบ้างอะไรเนี่ยเขามองออกมองเห็นความเลวของคนได้เออสิล้วทำไมเก่งได้ขนาดนั้นก็ไม่ทราบหาความเลวของคนมาได้อะถามว่าจิตของเขามันเป็นอะไรก็โทสะดีๆนี่แหละเนี่ย หาความเลวของคนอื่นจนได้หาพบด้วยนะเก่งมากคำว่าเก่งในทีนี้เรียกว่าชมแบบตันหนิเขาอกงั้นก็คำว่าอัศจรรย์ในพระตะอัศจรรย์เขียนไงจังกี้ตออันนี้นะ ờ, N nghe được à? nghe. nghe.